การใช้โปรแกรมทำแบบทดสอบก่อนเรียนดูเนื้อหาบทเรียนทำใบงานทำแบบทดสอบหลังเรียนทำแบบประเมินความพึงพอใจส่วนคลิปการสอนสามารถเปิดดูได้เลยนะคะ